พระธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่25กรกฎาคม2555มีชื่อเรื่องว่าผู้บริหารการศึกษาหันหน้าสู่ธรรมวันนี้คณะนะ ครูบาอาจารย์สอพอปอเขต4จังหวัดอุดรมีบ้านผือกุดจับน้ำโสมนายูมีผ อ, อ, อท่านเป็นหัวหน้าในผอใหญ่แล้วก็ได้นำคณะครูบาอาจารย์เข้าค่ายอบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในแบบสายหลวงปู่มั่นคือพวกเรามาศึกษาในสา ย, ลรรยรรหลวงปู่มั่นคุณธรรมจริยธรรมเพราะหลวงปู่มั่นดังไปทั่วโลกทุกวันนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทุกแห่งหนดังไปทั่วโลกถ้าผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเขาจะรู้ได้ว่าถ้า เรื่องภาวนาแล้วก็เขาขอยกเชิดชูบูชาหลวงปู่มั่นเพราะฉะนั้นพวกเราเข้ามาในครั้งนี้เข้ามาเพื่อการศึกษาเพื่อเรียนรู้แนวทางเบื้องตน้นหลวงพ่อเองก็จะพยายามบอกกล่าวแนะนําครูบาอาจารย์ถือว่าครูบาอาจารย์ที่มาอบรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นทรัพยากร ตีล้ำค่านำหน้าในชุมชนถ้าสรุปในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วก็ถือว่าถือว่าเป็นหัวใจในร่างกายแข้งขาตีนมืออันนั้นคือส่วนบริบาลของของใจทําไมจึงว่าบริบาลของใจพระพุทธเจ้าว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเหมือนกับรถ รถถึงจะมีรถราคาแพงขนาดไหนก็เถอะก็ก็มีต้องมีเจ้าของเจ้าของของรถถ้าไม่มีเจ้าของรถนั้นจะมาได้ดุด่ยได้อย่างไรเจ้าของต้องไปซื้อมานี่ก็เหมือนกันใจของเราเป็นหัวหน้าแต่ในเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายหลวงพ่อเปรียบเทียบแบบเป็นหัวหน้าในชุมชนทาไมจึงว่าเป็นหัวหน้าเพราะครูบาอาจารย์เหล่านี้ทั้งหมด เป็นทรัพยากรบุคคลเนะ่เป็นผู้แนะนำสั่งสอนศิษญานุสิษย์เป็นผู้ปลูกฝังอุปนิสัยของเด็กเด็กเกิดมาใหม่พ่อเด็กพ่อแม่สอนในระดับหนึ่งพ่อแม่เป็นบุคคอาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุตรธิดาของบุตรหญิงบุตรชายของตนเองเกิดมาแล้วก็พ่อแม่ก็ต้องสอน แต่หลักของพุทธศาสนาท่านเปรียบเทียบหลายระดับท่านว่าบิดามารดาเหมือนทิศทิศเบื้องหน้าคือทางทิศตะวันออกทิศเบื้องหน้าคือทิศตะวันออกพอเราตื่นนอนขึ้นมาเราก็เห็นพระอาทิตย์ก่อนพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างขึ้นมาเราจึงมองไปที่ไหนได้นี้ก็เหมือนกันพ่อแม่ของเราเเหมือนพระอาทิตย์ท่านเปรียบเทียบเหมือนพระอาทิตย์ เราเกิดขึ้นมาเราก็ต้องมองเห็นหน้าพ่อแม่ก่อนเพราะนั้นพ่อแม่ก็ต้องสอนเราก่อนว่าควรทำอย่างไรกินอย่างไรนอนอย่างไรอาบน้มอย่างไรสอนหมดเท่าที่พ่อแม่จะสอนได้อันนี้เรียกว่าบุพาจการจากนั้นก็ส่งเข้าโรงเรียนมาหาครูบาอาจารย์ก็ยังขาวสะอาดเด็กยังไม่มีอะไร อย่างพร้อมที่จะรับทุกอย่างจากครูบาอาจารย์เพราะฉนั้นหลวงพ่อถือว่าเนี่ครูบาอาจารย์ที่เหล่านี้แหละที่มาอบรมในครั้งนี้แหละเป็นทรัพยากรอันอันล้ําค่าที่จะให้สีแดงสีเหลืองสีอะไรกับเด็กนักเรียนถ้าหากว่าให้ในทางที่ผิดเด็กนักเรียนก็ไปในทางที่ผิดได้ถ้าหาว่าไปให้ในทางที่ถูกเด็กนักเรียนก็ไปในทางที่ถูก มันก็มีอยู่สองอย่างถูกกับผิดอยู่เฉยเฉยคงเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ถ้าหาว่าสอนผิดผิดยังไงก็เป็นมิจฉาทิฐิถ้าหาว่าคุณงามความดีไม่มีหรอกคุณพระคุณเจ้าไม่มีหรอกคุณประเทศชาติไม่มีหรอกคุณเจ้าฟ้ามหาสกษัตริย์ไม่มีหรอกคุณพ่อคุณแม่ไม่มีหรอกเราเกิดมาอย่างนี้อย่างนั้นแนะนาสั่งสอนเด็กเขาก็เชื่อไปอีกเหมือนกัน พอปลูกฝังไปในทางที่ผิดมันก็ผิดถ้าเราแนะนำไปในทางที่ถูกอืมเราเกิดมาในโลกต้องมีที่ไปที่มานะเออดูซิเราเกิดมาจากใครมาจากพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาใช่ไหมแถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูเราคิดว่าเราจะใหญ่ขึ้นมาได้ไหมเนี่แหละมันมีที่ไปที่มานะต่อมาก็มีครูบาอาจารย์นะถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แนะนาสั่งสอนเด็กนักเรียนจะฉลาดได้อย่างไร พวกเราจะฉลาดเฉลียวฉลาดได้ยังไงใช่ไหมในเมื่อครูบาอาจารย์ก็ต้องมีประเทศชาติประเทศชาติบ้านเมืองต้องมีกฎหมายต้องมีกฎมี ก, มกลุ่มเราเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเราภูมิใจไหมมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าเราไม่ภาคภูมิใจนั่นต่างประเทศมีอยู่เราออกไปอยู่ต่างประเทศก็ได้ถ้าเราจะพูกภาคภูมิใจในประเทศไทยเราก็ต้องอยู่ เราต้องพยายามสร้างสรรค์ให้ดีที่สุดยังไงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรอย่างพระเจ้าเพนดินหรือชาติของเราชาติไทยของเราเป็นมาอย่างไรพวกเราควรศึกษาประวัติศาสตร์จากนั้นก็ศาสานาพุทธศาสนาเข้ามาในยุคไหนสมัยไหนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วพระสงฆ์ได้นาพระศาสนามา เข้ามาทางนครปฐมเข้ามาประเทศไทยเข้ามาในถิ่นนี้ในบริเวณเอเชียของเราพรมา่าศรีลังกาพม่าไทยลาวเขมรอันนี้แหละคือเถราวาดเข้ามาเข้ามาอย่างไรก็มีที่ไปที่มาอีกและเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์ก็เหมือนกันเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์ปกครองประเทศธาตุประเทศชาติปกครองมาอย่างไร ตั้งแต่พ่อคุณศีอินทราที่พ่อคุณลามคำแหงกรุงศรีอยุธยาเป็นมาอย่างไรจนถึงรัตนกะรุงรัตนโกสินประเทศไทยชาติไทยของเราเป็นเอกราชไม่เป็นขี้ข้าต่างชาติใช่ไหมประวัติศาสตร์เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเราก็ควรจะศึกษาทําไมจึงไม่เป็นขี้ข้าของประเทศอื่นเพราะอะไรใครในยุคนั้นรัชกาลที่ห้าใช่ไหม เป็นผู้นำประเทศชาติหนีออกจากปากีโอปา ก, กาทางฝ่ายโยุโรปเขามาล่าอาณาจากักรเวียดนามคนก็มากแต่เขาเป็นเมืองขึ้นของเขาลาวขาเขมรอินโดมาเลยสิงคโปร์พามา่าเป็นเมืองขึ้นเขาทั้งหมดใช่ไหม แล้วเมืองไทยทำไมไ ม, ไม่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของเขาเพราะอะไรเราก็ต้องมีประวัติศาสตร์คือรัชกาลที่ห้าเป็นผู้ปกป้องประเทศชาตินำประเทศชาติชาติไทยของเราลอดพ้นจากปากเกียวปากกาไม่ได้เป็นขี้ค่าของประเทศอื่นมาถึงยุคนี้สมัยนี้เราเราเสียใจอย่างมากใช่ไหมที่ไม่ได้ที่เราไม่ได้เป็นขี้ข่าประเทศอื่นอย่างนั้นใช่ไหม เราน่าจะภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ว่ามีาพระมหากษัตริย์เป็นผู้นําประเทศชาติให้รอดพ้นจากปากเกี่ยวปากกาและมาถึงจุดนี้เราด้อยกว่าประเทศอื่นเขาใช่ไหมเราที่เราไม่ได้เป็นขี้ข้างเขาน่ะเราด้อยกว่าเขาใช่ไหมในอาเซียนในประชาคมอาเซียนเราก็มาถามอีกว่ไม่ใช่เราเป็นผู้โดดเด่นกว่าใครทั้งหมด ในประชาคมอาเซียนถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศในละแวกนี้ mm. เพราะนั้น mm. เราน่าจะภาคภูมิใจ mm. ที่เราได้เป็นเป็นผู้นำเป็นผู้เลิศกว่าเขาในทางเศรษฐกิจาการ เ, าเป็นอยู่แต่เราด้อยกว่าเขา mm. เดี๋ยวนี้เพราะพวกคนในชาติของเราชาติไทยของเรา ผู้น้อยไม่เป็นไม่เป็นผู้น้อยไม่ผู้ใหญ่ไม่เป็นผู้ใหญ่ทะเลาะกัดกันนัวเนียอยู่เดี๋ยวเนี้ยฝ่ายใครไม่ฟังใครจุดนี้เป็นจุดอ่อนของประเทศชาติชาติไทยในขณะ น, นี้แต่ถ้าว่าชาติไทยของเราเข้มแข็งประเทศไทยของเราคงจะก้าวกระโดดมากกว่านี้เดี๋ยวนี้ชาติไทยของเราเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้อันนี้ก็ขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์ขั้นระดับผู้บริหารในท้องถิน่น ให้คิดเอาไว้เราไม่ด้อยใครเราไม่แพ้ใครเราเสียใจไหมเรามีพระเจ้าเป็นดินปกครองประเทศชาติเราด้อยกว่าเขาใช่ไหมในท้องถิน่นเราไม่ด้อยกว่าเขาจุดนั้นไม่ใช่จุดที่เราจะตําหนิไม่ใช่จุดที่อ่อนด้อยไม่ใช่จุดจุดบอดจุดบอดเขาตรงที่ว่าคนในชาติทะเลาะกันเ อ, อผู้ใหญ่ไม่เป็นผู้ใหญ่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นก็เลยประเทศชาติก็เลย หมุนเวียนกันเหมือนกับน้ําน้ําอยู่ในโอ่งไงพายเรืออยู่ในโอ่งเนีนวนไปวนมามันไม่มีที่ออกไงเพราะเหตุไรกระเพราะเนี่ยเพราะความพร้อมเพียงสมรูคีกันอชนในชาติไม่มีวพราะนั้นจุดนี้เขขอฝากไว้กับพวกเราที่เป็นครูบาอาจารย์แล้วก็มาวกมาพูดถึงพวกเราที่เข้ามาอบรมในครั้งนี้เข้ามาอบรมในครั้งนี้ก็เพื่อเรียนรู้ เรื่องพุทธศาสนาเรื่องศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนําไปประยุกต์ใช้กับเด็กนักเรียนของพวกเราที่เด็กนักเรียนของเรายัางขาวสะอาดอยู่เราพร้อมที่จะนําสิ่งที่ดีๆมีคุณค่าให้แก่เด็กนักเรียนของเราได้ศึกษาถ้าเด็กนักเรียนของเราได้ศึกษาสิ่งที่มีคุณค่าเด็กนักเรียนของเราจะมีคุณภาพต่อไปภายภาคหน้านี่แหละ หลวงพ่อจึงได้รับพวกครูบาอาจารย์ที่จะเข้ามาอบรมในครั้งนี้แต่ก่อนหน้านี้พวกเราก็ศึกษาหรือซิว่าเนี่ยทุกอย่างมันมีที่ไปที่มามีประวัติศาสตร์อย่างที่หลวงพ่อได้พูดแต่วัดของหลวงพ่อนี่ยเคยรับกลุ่มอื่นมาไหมนี่ละกลุ่มนี้ละเป็นกลุ่มแรกที่หลวงพ่อได้รับคณะครูบาอาจารย์เข้ามาเพราะมองเห็นคุณค่าวัด จะต้องเป็นผู้นำในชุมชนถ้าชุมชนของเรามีครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นผู้แนะนำสั่งสอนแล้วเด็กของเราก็เป็นคนดีเมื่อเป็นคนดีแล้วชุมชนของเราก็มีแต่ความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขการเป็นอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันเมีครูบาอาจารย์ก็หันหน้าก็หากันมีอะไรในท้องถิ่นของเราเพราะชับพยากรครูไม่ใช่น้อย และก็เป็นผู้นำในชุมชนแต่และหมู่บ้านด้วยเป็นผู้ผักดันเป็นผู้ออกำกำลังหลักในชุมชนไม่แพ้กำลังหลักอื่นเพราะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่หลวงพ่อมองเห็นว่าถ้าว่า ค, ครูบาอาจารย์มีคุณภาพแล้วออมีศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วก็จะถ่ายเทถ่ายทอด พิชาความรู้เรื่องจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรีย น, นเด็กนักเรียนก็จะได้ศึกษาเพราะฉะนั้นเรื่องครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งจะต้องในเดินในทางที่ถูกต้องรู้ในสิ่งที่ถูกต้องคือรู้นะเป็นสัมมาทิฏฐิพูกง่ายๆรวมภาพรวมม า, าครูเป็นสัมมาทิฏฐิคือเห็นในทางที่ถูกต้อง เมื่อเห็นทางที่ถูกต้องแล้วจะสั่งสอนลูกศิษย์ก็สังส่งสอนในทางที่ถูกต้องออในเมื่อได้ทำสังส่งสอนในทางที่ถูกต้องแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะราบรื่นอันนี้คือที่เข้ามาศึกษาในครั้งนี้หลวงพ่อก็เน้นหนักเรื่องทางวิทยากรอีกเหมือนกันได้ปรึกษาปรารภกกันจะมีการวิธีการสอนนั่งสมาธิแต่ครั้งนี้ให้ครูบาอาจารย์เข้าใจว่า เราไม่ใช่ว่าจะเอาจริงเอาจังกับครูบาอาจารย์ให้ได้สําเร็จมรสําเร็จผลถึงขนาดมันไม่ใช่เพียงเพียแต่เรียนรู้วิธีการเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการวิธีการสายหลวงปู่มั่นท่านทําอย่างไรแต่วิธีการสายอื่นครูบาอาจารย์หลวงพ่อเอกมั่นใจอีกครูบาอาจารย์ตั้งเกือบสองท่านเนี่ยคงจะได้ศึกษาวิชายอย่างอื่น ครูบาอาจารย์ทางอื่นมาแต่ถึงยังไงมาศึกษาในจุดนี้พิ ช, ชายอย่างอื่นให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายพับไว้ก่อนอย่าเพิ่งออกมาใช้เพราะช่วงนี้เรามาศึกษาในสายแนวแถวหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรหลวงพ่อจะให้จะถ่ายเทหรือว่าจะนำพระวิทยากรให้แนะนำสายปฏิบัติสายหลวงปู่มัน่น ให้แก่พวกเราทั้งท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาวิธีเดินจยกลมวันนี้ก็จะได้สาธิตวิธีเดินจยกลมเดินโยกลมทำยังไงนั่งสมาธิพวกเราก็ได้นั่งมาแล้ววิธีการภาวนากาหนดจบจิตใจอย่างไรอันนี้หลวงพ่อก็ได้สอนมาแล้วในเมื่อเราเรียนรู้เบื้องต้นเป็นพื้นฐานถ้าเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติต่อไป เราก็ทําเองเมื่อออกไปจากที่นี่แล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายเวลาทุกอกทุกใจมันต้องมีในโลกเนื้อใบนี้ไม่ใช่จะราบรื่นทุกอย่างสิ่งที่ขมขื่นก็มีสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็มีสิ่งที่ขมขืน่นในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั่นล่ละจิตใจของเราจะหมุนเข้ามาหาธรรมะเข้ามาศึกษาธรรมะรู้จักปล่อยอยังไง ร, รู้จักกวางยังไง ร, รู้จักยึดอะไรเป็นหลักในช่วงนั้น แต่พวกเรารู้จักวิธีการจากนั้นเราก็นาวิธีการที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้ไปแนะนําสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาของพวกเราเด็กนักเตรียนของเราเด็กเรียนของเราก็จะเดียรู้จักแนวทางเพราะฉนั้นขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์ทุกๆ ท, ท่านที่เข้ามาอบรมในครั้งนี้อย่าไปทุกข์ใจเข้ามาเพื่อความสบายใจเพื่อการศึกษาไม่กี่วันของพวกเราพวกเราก็จะเด็กออกไป ทำหน้าที่การงานตามปกติแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าค่ายก็ธรรมดามันผิดสถานที่ผิดการเป็นอยู่การอยู่การทานอาหารการอะไรทุกอย่างก็ธรรมดาเราปิดไปปิดสถานที่มันก็ต้องลำบากบ้างแต่ถึงยังไงความอดทนขันติคือความอดทนคเนี้จะใช้ได้ในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่ออีกถ้าคนไม่มีขันติมีแต่ความอ่อนแอปวกเปียก อะไรคือสูตรบ้านตัวเองไม่ได้อันนั้นเราจะก้าวไปทางหน้าได้อย่างไรก่อนที่คนจะก้าวหน้ามาได้ถึงขนาดนี้ถามคนดูสิถามหลวงพ่อดูสิหลวงพ่อมีความอดทนขนาดไหนที่มาอยู่จุดนี้ตั้งแต่ทีแรกหลวงพ่อกวาดใบไม้นอนเกือบสองอาทิตย์มีน้ําไฟจะมีจากที่ไหนหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นหลวงพ่ออดทนไหม หลวงพ่อว่าอดทนอย่างมากอดทนทั้งกายทั้งใจทุกสู้ทุกอย่างอีกต่างหากเพราะนั้นครูบาอาจารย์ก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องต่างๆหลวงพ่อก็อยากจะให้ครูบาอาจารย์มีความอดทนคือขันติคือความอดทนเมื่อมีความขันติอดทนมีวิริยะวิริยะคือความเพียรพยายามอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะศึกษา อยากท่า น, นก็ใช้สติใช้ปัญญาใช้ปัญญากันกรองไตรตรองเหตุและผลที่เข้ามาศึกษาในครั้งนี้มีเหตุผลอย่างไรออไม่ใช่ว่าจูงมาและกระจูงไปไม่ใช่เราต้องใช้ปัญญามีเหตุผลไหม Rag. ที่เราเข้ามาศึกษาในครั้งนี้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราใช้ขันติเป็นพื้นฐานแล้วก็ใช้วิริยะคือความเพียรพ ย, ยายามอยากจะเรียนรู้จากนั้นก็ใช้ปัญญากันกรองไตรตรองเหตุและผลที่เข้ามาศึกษา หลวงพ่อมั่นใจว่าพวกเรามีสามอย่างขันติวิริยะปัญญาเข้ามาใช้ในงานนี้หลวงพ่อคิดว่าจะประสบความสำเร็จไม่มากก็ น, น้อยแต่ถ้าพวกเราเข้ามามีแต่ะระดมทมทุกจะว่าหัวหน้าหลอก เ, ออเข้ามาออมาทุกข์ยากลาบากไม่ได้รับการสะดวกสบายพวกเราคิดอย่างนั้นมันก็มีแต่ทุกข์ในใจเพราะนั้น ความทุกข์ในใจของเราต้องปล่อยปล่อยวางนะคลายทิ้งเราเข้ามาเพื่อการศึกษาพระพุทธเจ้าไปอยู่ในป่าดวงพงไผ่ตั้งหกปีท่านเป็นกษัตริย์ท่านไม่มีไฟฟ้าน้ําประปาอย่างของเรานี่ด้วยท่านอยู่ได้อย่างไรท่านเป็นพระมาหากษัตริย์เรานิดหน่อยความทุกข์เพียงแค่นี้นะเราต้องคิดถึงอย่างนั้นบรมครูของพวกเรามีคันติขนาดไหนเพราะนั้นขอให้พวกครูบาอาจารย์ทุกๆกท่านที่เต เขามาอบรมในครั้งนี้หลวงพ่อให้กําลังใจนะใครแๆว่าให้กําลังใจแก่ครูบายจะจะท้อแท้ยาอ่อนเอให้แข็งให้แข็งไว้สู้กับกิเลสฝ่ายต่ําเอาไวเ้เมื่อชนะฝ่ายต่ําแล้วพวกเราจะภาคภูมิใจอย่างมากมเมื่อผ่านการอบรมในการในการเรียนรู้ในครั้งนี้พวกเราจะมีความสุขใจคิดมาเมื่อไหร่เมื่อเราผ่านการอบรมไปแล้ว เราก็คิดมาเมื่อไหร่ก็เราเราจะได้สบายใจเออในช่วงนั้นมันทุกข์จริงอยู่แต่ว่าใจของเราเราได้เรียนรู้เรื่องต่างๆในวัดของหลวงพอ่อเนี่ยหลวงพ่อที่ได้รับคณะครูบาอาจารย์ในคราวนี้ครั้งนี้ถึงถึงถึงหลวงพ่อจะลําบากด้วยประการยังไงหลวงพ่อก็ยินดีแต่ก็หลวงพ่อก็พร้อมกันก็ขออาภัยจากคณะครูบาอาจารย์ด้วยถ้าสิ่งไหนขาดตกบกพร่องก็ขอให้บอก ในขณะที่อยู่หลวงพ่อตาวสิ่งไหนที่จะช่วยได้นะหลวงพ่อก็ยินดีเที่จะให้อำนวยความสะดวกให้แก่คณะที่เข้ามาอบรมในครั้งนี้แต่ทางด้านจิตใจนั้นก็จุดแท้แต่พวกเราท่านทั้งหลายจะทำใจเองนะ ถ, ถ้าพวกท่านทั้งหลายทำใจให้ทุกพวกท่านก็จะทุกถ้าพวกท่านทั้งหลายทำใจให้ปล่อยวางพวกท่านจะมีความสุขในจิตในใจรู้จัจกปล่อยรู้จักวาง รู้จักยึดในสิ่งที่ถูกต้องนะพวกท่านทั้งหลายจะมีความสุขใจอยู่ตลอดในขณะที่มาฝึกปฏิบัติเข้าค่ายในครั้งนี้และตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร